ก็กาบการรัฐนิยมราธารณะนั่ละตลอทั้งเพื่อนสาสรธรรมที่มีความสนใจก็ขอเจริญพรนแต่ผู้นับปฏิบัติธรรมที่สนใจใครในการประพฤติปฏิบัติกันทุกท่านทุกคนก็ วางมือต่ำสบายเนาะไอ้เราก็ได้มาร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันนี้กันก็มาตั้งแต่วันที่สี่บเก้าวันนี้ก็เป็นวันที่สองรวมก็เป็นสามสี่ห้าวัน <c oughs> ก็นานุโมทนาในความตั้งใจของญาติของโยมแต่ก็ตลอดทั้งพระภิกษุสามเณรเราตั้งใจในใจมาแล้วก็คิกว่าตั้งแต่สร้างวัดขึ้นมาแม้แต่หลวงพ่อเทียนก็ตามนี้ก็ตามก็ต้องการที่อยากจะให้คนอยากจะให้พุทธบริษัตของเราทั้งหลายมันมีความเข้าใจในหลักคําสั่งสอนของพระเจ้าตามเจตนาลมของท่าน ดังนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธพธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งทีนี้เราก็เลยมาทำความเข้าใจในการปฏิบัติหลักคำสั่งสอนของท่านในของท่านดันั้นวัดโม ก, ก็เลยเกิดก็เลยเปิดให้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจในส่วนที่จะ เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาแก่นแท้ของหลักคำสั่งสอนของพุทธองค์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตังแต่สมัยลวงพ่อเทียนท่านท่านก็มีการระดมปลุกระดมให้มีความตื่นตัวตื่นใจขึ้นมานี่ขึ้นมาในในหมู่ของพุทธบริษัท ต, ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นอยู่ลักษณะนั้นมานี่มาพอมาถึงเราได้มาอยู่ร่วมกันญาติโยมก็หลายที่หลายแห่งก็มาปปฏิบัติธรรมด้วย กนาโนโมธนาส่วนนี้ความตั้งใจจริงของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิสูจน์คําสั่งสอนอพุทธองค์เป็นการพิสูจน์คาสั่งสอนที่ว่าท่านมีจริงหรือไม่การประคุตปฏิบัติธรรมและอย่างที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านได้มากล่าวตั้งแต่วันเริ่ ม, รมแรกเพราะว่าทุกท่านทุกคนถ้ามีความตั้งใจก็พร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตร พร้อมที่จะเป็นพระพิีเลี้ยงพร้อมที่จะชี้แนะชี้นำให้มีความกระจ่างชัดขึ้นไปอีกเพราะศาสนาพุทธศาสน า, า, าของเรานั้นเป็นศาสน า, าที่มีการต้อง ส, ก, ส, ก, ส ก, กิดสกิดสะเกากันขึ้นมีกันขึ้นเพื่อให้มันตื่นตัวแต่ถ้าไม่สกสิดสะเกลูกันไม่พูดไม่จาไม่พูดในสิ่งที่ความเป็นจริงสู่กันฟังนี้กันฟังมันก็ยากในการที่จะเกิดยากในการที่จะรู้เข้าใจ เพราะส่วนใหญ่นั้นเราก็เรียนรู้เลือก ร, รู้จํารู้จักแต่ความรู้แจ้งรู้จริงนั้นยังเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นไอความรู้จําสิ่งใดที่เราเคยเรียนรู้มานี่มาจากตำรตำาตารามานั้นก็มีมาเยอะอ่านมาเยอะยิ่งแล้วในปัจจุบันยุปัจจุบันนี้หนังสือหรือแม้แต่การเทศนาสั่งสอนทางสถานีวิทยุทางโทรทัศน์ทางต่างๆนี่ต่างๆก็เริ่มมีมากขึ้น ญาติโยมก็มีความเข้าใจมีความสนใจแม้แต่เรื่องวิธีการเรื่องวิธีการที่อยู่ในเมืองไทยแต่ละมุมของจังหวัดแต่ละมุมของอำเภอแต่ละมุมของทั่วประเทศ <c oughs> ก็มีหลายสิ่งลหลายอย่างมีหลายรูปแบบและหลายวิธีแต่ในขณะที่วัดโมกแห่งนี้เรายึดถือในรูปแบบของการเจริญสติในการเคลื่อนไหว บางท่านบางคนอาจจะเห็นบางท่านบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออไอส่วนนี้ไอสิ่งนี้ที่เราทํากันการทํากันกที่เราทําอยู่ในขณะนี้อไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้รับรู้กันมากเท่าไหร่นี้เท่าไหร่ในหมู่ทุกบริษัทของเราเพราะส่วนใหญ่แล้วเข้าใจว่าการทําสมาธิเราเข้าใจว่าการที่การนั่งนิ่งการเจริญภาวนา <c oughs> อะไรก็ตามแต่แต่พอมาการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหว ทั้งๆ ท, ที่เราต้องการความสงบแต่เรามาเคลื่อนไหวภายในร่างกายของเรานั้นมันจะสงบได้อย่างไรอันนี้มันก็น่าเป็นหน้าหน้าหน้ า, นาคิดเหมือนกันเพราะสมัยหนึ่งตอนที่อาจจะมาบวช <c oughs> ใหม่ก็มีความเข้าใจแบบนั้นลักษณะนั้นว่าการทำสมาธิต้องมีการนั่งนิ่งในนานเท่าไรยิ่งดีนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงและสามชั่วโมงได้ยิ่งยิ่งดีใหญ่ นั่นแหละคือการทำเปกนั่นแหละคือการทำสมาธิที่ถูกต้องก็สังเกตมาย่ลักษณะนั้นครูอ า, าจารย์แม้ตลอดตำราก็พูดอยู่ลักษณะนั้นทำอยู่ลักษณะนั้นแม้แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำกันอยู่มาแต่อย่างนั้นมาตลอดนี่ตลอดจนกระทั่งได้ว่าการเจริญสติแบบนี้แหละพอมาบวชบอบวชเพื่อนก็ชวนไปพอชวนไปไปเห็นรูปแบบการกระทำนั้นรู้สึกว่าอืม พูดตามตรงเลยว่าไม่ค่อยศรัทธาในรูปแบบการประพฤติปฏิบัติเพราะมันไม่นิ่งมันไม่เยียบมันไม่สงบดูแล้วมันเจ๊ง ๆ, ๆยังไงไม่รู้ยกไมยกนอยกไปยกมาอุ้ยจะนั่งนิ่งๆไม่ดีกว่าเลยดีเพราะเอาเราอความรู้สึกของเราเป็นตัววัดว่าเออเราชอบแบบนี้ดีมากเราชอบแบบนี้นั่งนิ่งรู้สึกว่าโอ้ยความสงบมีปิติความอิ่ม อ, อกอิ่มใจ จังหวะดิ่งลงไปนี่ลงไปรู้สึกมันก็โอ้ยสนุกบอารมมสุขเหลือเกินนีเหลือเกินแต่พอมาเคลื่อนไหวนี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ลุ่งยากในการเคลื่อนไหวทั้งทั้งที่ชีวิตของเราแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละวินาทีนั้นก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดไม่ได้หยุดนิ่งแต่พอนานเข้าน้นเข้าลองลองประพฤติลองปฏิบัติแล้วก็ลองกระทำลองดู แต่ก่อนจะกระทํานั้นรู้สึกว่ามันก็มีความอายอปิดช่องรูที่มันมีเป็นรูเป็นช่องเป็นอะไรต่างๆอบ ก, กระดาษเอาอะไรต่างๆปิดแต่าไว้ตัวคนมาแอบดูอายก็เลยลองทําลองดูนั่งทําลองดูยังไงไงแล้วก็ตกตกกระดพลอยจนแล้วหามผีตกไปช้าแล้วจะทํำยังไงก็ ก, ก็ต้องทําลองทําลองดูพอมาทําการเคลื่อนไหวแบบนี้นะี่ยความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะท่านบอกให้มีสติกับการเคลื่อนไหว ยกมือเข้าเอามือออกมีสติตามรู้เข้าไปนี่เข้าไปเมื่อก่อนนั้นเราเข้าใจว่าการทำสมาธิคือนั่งนิ่งแต่พอเราเคลื่อนไหวมีสติสัมปชัญญะเกี่ยวข้องเกี่ยเนื่องทุกเอเยบดในการเคลื่อนไหวในกระบวนการในการเคลื่อนไหวในส่วนหน้ากายของเรานี้ของเรามันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งว่าเออความสงบแบบการเคลื่อนไหวนี้ก็มีมาเริ่มยอมรับแล้ว แบบการเคลื่อนไหวนี้เราใจอิริบต์ใดก็ตามนี่ก็ตามคู่เหยียดเคลื่อนไหวกับพิษตาหายใจอ้าปากอะไรต่างๆก็ตามนี้ก็ตามรู้สึกว่ามันมีสติสมัมปชัญญะเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าการทําสมาธิมันนิ่งแต่ร่างกายของเรามันนิ่งจริงแต่สภาวะจิตของเรามันไม่ได้นิ่งจิตของเรานี่ไม่ได้นิ่งปัดแปลงสร้างเรื่องสร้างเรื่องสร้างรั ง, รงนั้ น, น่ะที่เข้าใจว่าเออธากรรมฐานทั้งหลายที่พอเข้าไปนั่งทำสมาธิปุ๊บก็เกิดเป็มได้นิมิต เห็นสีเห็นแสงเห็นมิตรเห็นอะไรต่างๆสารพัดเห็นพระพุทธรูปเห็นแม้แต่บางครั้งมันขนาดก็บอกว่าในตำราตำราบางเล่มก็บอกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จมาเทศนาสั่งสอนโปรดให้ฟังให้ฟังแต่พอเรามาเข้าใจส่วนนี้รู้สึกว่ามันมันแก้งมันทะลุออกไปเลยว่าโอ้ไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของความหลงที่มันเกิดขึ้นแต่พอเรามีสติสัมภัญญะเรารู้เท่ารู้ทันกับมันนี้กับมัน นักป่าจำลองท่านก็เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นนั้นเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ของจริงนั่งภาวนานั่งนั่งรู้สึกว่าเห็นนั้นเห็นจริงสิ่งต่างๆที่เรามองเป็นนิมิตเห็นสีเห็นแสงนั้นเห็นจริงเป็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ของจริงอย่างที่เราทําในขณะนี้ยกมือเสลื่อนไหวมีความรู้สึกตัวตื่นตัวมันเป็นเรื่องจริงเห็นจริงมองเห็นจริงสัมผัสได้ด้วยจริงอันนี้เราจะโอเมื่อก่อนเราก็เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ คนเราต้องการนี่ต้องการแต่พอเรามาทําสิ่งนี้พอเข้าใจสิ่งนี้เล้รู้สึกว่าอืมจุดนี้นี่เองที่เราต้องการที่อยากจะออกมาแก้ไขปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราไม่ใช่ในเรื่องเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดไอ้เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นเรื่องสิส่วนอีกส่วนหนึ่งทั้งที่อย่างที่หลวงพ่อท่นอานหลวงพ่อเทียนท่านวักกล่าวไว้นั่นว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กเป็นเรื่องหลอกสําหรับคนโง่แต่พอเรามาเข้าใจส่วนนี้รู้สึกว่าโอ้ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาแต่อริยบทแต่แต่ละครั้งแต่ละขณะเราพยายามที่จะสร้างขึ้นมาเราพยายามที่จะกําหนดรู้เข้าไปนี้เข้าไปรู้ทุกอริยบทต่างๆอย่างพวกเราพวกญาติโยมพวกพ่อโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายยังมาอยู่ในขณะนี้เหมือนกันเคลื่อนไหวแต่อริยบตต่างอริยบทอนไรก็ตามนี้ก็ตามพยายามที่จะเอาสติสัมปชัญญะของเรานี้ก็ไปเกี่ยวข้องกันทั้งหมดทําไมพูดแต่เรื่องสติสัมปชัญญะเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดที่เราจะต้องทําไม่รู้ว่าคิดที่ของเราไม่รู้จะล่วงหล่นไปเมื่อไหร่น ขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่ในขณะ น, นี้เราพยายามที่จะสร้างอีส่วนนี้ขึ้นมาให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจะปฏิบัติอะไรก็ตามจะเรียนรู้อะไรต่างๆก็ตามมาลักษณะใดก็ตามนี้ก็ตามถ้าไม่รู้ข้าไม่เข้าใจหันกลับเข้ามาดูชีวิตจิตใจของเราส่วนนั้นความรู้ส่วนนั้นก็ยังไม่ไม่คุ้มค่าไม่มีราคาเท่า ก, กับชีวิตของเราแต่ขณะใดก็ตามที่เราย้อนยุบกลับเข้ า, าย้อนเข้ามาหาตัวชีวิตจิตใจของเราจริงๆ มีสติทุทกอิรลยบบทในการเคลื่อนการไหวการไปการมายืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวกับพิ ต, ตาหายใจอ้าปากแม้แต่เวลาทานอาหารเหมือนกันฉันอาหารก็เหมือนกันแม้แต่แม้แต่หลับก่อนหลับก่อนนอนก็เหมือนกันพยายามที่จะควบคุมสติยพยายามที่จะมีสติสำปรชัญญยของเราให้มีความพร้อ ม, ม, ม, ม อ, ย อ, อยู่เสมอค่อยๆประคับประคองเหมือนกับเราท่านตถนอมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรามีความรักมีความมีค่ามีคุณค่ากับชีวิตของเรานี้ของเรา พยายามที่จะทะนุะนอมให้มากเลยเกินนี้เลยเกินเหมือนกันเหมือนกันเลี้ยงลูกเล็กเด็กเล็กเล็กทะนุถนอมไม่ให้ไม่ให้แต่ไรไม่ให้ตอมพยายามที่จะพักคประคองพยายามที่ประคับประงมไอความรู้สึกตัวของเราก็เหมือนกันสติสมรจัญญาของเราก็เหมือนกันแล้วพยายามประคับประครองอิรลยบทต่างๆช่วงระยะเวลาส่วนนี้พยายามที่จะให้สติสมรจัญญาเป็นผู้มีบทบาทในชีวิตของเราให้มากขึ้นการที่ เราจะเอากําหนดรู้อะไรสิ่งต่างๆในการยืนการเดินการนั่งการคู่การเหยียดการเคลื่อนไหวต่างๆนี้ต่างๆกับพิตาใหา้ใจอ้าปากทําไมจะทําไม่ได้เพราะไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ร่างกายของเราทําอยู่แล้วในขณะแต่เราขาดทีด่ว่าเราเอาสติสยยัมปชัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ามันเกิดความชำนิฉนานมากขึ้นนี้มากขึ้นถ้ามีความชำนิฉนานมากขึ้นมากขึ้นสิ่งต่างๆที่อารมณ์ต่างๆที่มากระทบผัสสะต่างๆที่มากระทบสติสัมปชัญญะของเรามันมีความฉับไวมากขึ้นนี้มากขึ้น ไม่ใช่ฝึกสติสมัมิฉัญย์ให้มีความเฉื่ยชาถ้าสติสมัติฉันย์ของเรามันเฉยชามากเฉื่ยชาปานี่ไปล่องหนลอยล่องลอยไปนี่ไปตามอกระแสของอารมณ์ตามกระแสของความอยากของเรานี่ของเราไลหลไปตามกับมันอยู่ตลอดมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นว่าเราทั้งวัดทวนกระแสกลับมาก็อยู่กับตัวชีวิตจิตใจของเราตัวนี้ ไอ้เรื่องอื่นนั้นคนอื่นนี่เขาพูดมามากทำมามากนีม่มามากการทําบุญให้ทานการรักษาศีลการอะไรต่างๆให้มากก็ทํากันมามๆมากเสร็จแล้วพูดกันซึ่งนพื่มเพื่อเสร็จแล้วแต่ทีนี้ไอ้เรื่องชีวิตเรื่องสติสัมปชัญญะของเราส่วนนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องทําที่จะต้องสร้างขึ้นมานี่ขึ้นมาสร้างให้มันมีความรู้สร้างให้มีความชํานาญชำนิชํานาญในการกับทําในกระบวนการการที่เราเป็นอยู่ในชีวิตของเราในขณะปัจจุบัน หลัที่พระเถองค์เคยบอกกันว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของขราบัดเป็นเรื่องของทุกๆคนที่จะต้องเข้าใจที่จะต้องสัมผัสกับตัวชีวิตจิตใจของเราในของเราเราจะทํายังไงโอกาสและเวลาอย่างนี้พวกเรามาอยู่ในลักษณะนี้โอกาสเวลาของเราเป็นเป็นโอกาสของเราเป็นเวลาของเรามากที่สุดนี้ที่สุดไม่เหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเลยไม่เหมือนเราอยู่ที่ครอบครัวของเรานี้ของเราภาระหน้าที่ของเราส่วนนั้นรู้สึกมันมากเหลือเกิน โอกาสและเวลาบางท่านบางคนก็บอกโอ้พอเราพึ่งปฏิบัติธรรมพอออกไปวัดไปนี่ไปภาระหน้าที่มันเยอะบางครั้งมาขนาดก็พั้งเผลอไปบ้างนี่บ้างความพั้งเผลอบางครั้งมาขนาดเราพยายามที่จะประยุกต์ใช้อยู่กับชีวิตประจําวันของเราไม่ใช่ว่าเฉพาะอยู่ในเฉพาะในวัดจะอยู่้นระบบใดก็ตามในสถานที่แห่งใดก็ตามพยายามที่จะสร้างให้มันเกิดความชานาญในการปลดการปล่อยปล่อยตนเองวางตนเองให้เป็นให้เป็นวางให้เป็นที่เป็นทาง ถ้าเราวางตัวของเราวางจิตวางใจของเราไม่เป็นที่เป็นทางมันก็ละเกียดลักกะลกลงหลังไปหมดนี้ไปหมดดังนั้นที่เรามาขนาดนี้ในขณะช่วงระยะเวลาช่วงใกล้ระยะเวลาที่น้อยนิดนี้เองนี่เองพยายามที่จะจัดสรรจิตของเราให้มันอยู่ในรูปแบบให้มันอยู่ในกรอบในยันระเบียบนี้วปนไงใ ห, ให้ให้ตัเองให้ได้อย่าให้คนอื่นไปจัดระเบียบให้กับตัวกับเราเราพยายามที่จะจัดระเบียบให้กับตัวของเราเองนี้ให้มันเองให้มันถูกต้องให้มันได้แต่เราให้คอยจะให้คนอื่นมาจัด คนอื่นเขาจัดจัดจัจจจจบางครั้งมาขนาก็สบอารมณ์ข้างเราบ้างบางครั้งมาขนาก็ไม่สบกับอารมณ์ข้างเราบ้างมันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นมีความขัดขัดแย้งภายในใจเกิดขึ้นนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมาดังนั้นว่าการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเรารู้จักวิธีการรู้จักขบวนการตัวนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากนะักแต่ก็ย้งว่าแนวความชมินช้ำนาญความพ่อคูณความสะสม สิ่งต่า ง, างๆไร้มากที่มากมายมันรู้สึกมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นบางท่านบางคนก็อาจจะอาจจะมีความง่วงเหงาเฮานอนบางครั้งบางบางท่านบางคนอาจจะมีความวิกิจฉาเกิดขึ้นมาในความดังเลยสงสัยต่างๆสารพัดเพราะเราไม่ได้อยู่กับความรู้สึกของเราส่วนนี้เราไปเอาความคิดตัวนั้นมาเป็นตัวกําหนดเราแปลความคิดตัวนั้นมาตัวดําเนินตามความรักนั้นที่เราให้ทำอย่างนีง้ท่านบอกให้อยู่กับความรู้สึกตัวของเรานี่ของเราอย่าไปใส่ใจกับความคิดอะไรมากมาย อย่าไปสนใจอย่าให้ความสําคัญกับความาสิ่งความปรุงแต่งของสังขารส่วนนั้นเรามาสนใจกับความรู้สึกตัวของเราในขณะนี้ลองดูอะไรมันจะเกิดขึ้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่ถ้าเราทําความรู้สึกตัวของเราอยู่แบบบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปเข้าเหมือนกับไก่ที่ฟักไข่ของเขานั่นแหละแม่ไก่พยายามที่จะฟักไ ข, ข่ขนาดใจตอนที่ฟักไข่นั้นเขาพยายามที่จะอดอาหารก็ไม่ทานอาหารก็ไม่กินจิกอาหารก็ลงไม่แม่ต้องไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทําอะไรเลย ความใส่ใจความฝักฝ j, ใฝ่ในการที่จะกบให้ไข่ตรงนั้นมีก็มีความอบอุ่นมีอุณหภูมิที่ดีนี้ที่ดีไข่นั้นไก่อยู่ในไข่ลูกไก่อยู่ในไข่ในฟองนั้นึก็พยายามที่จะพ่อคูนความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นเนื้อเป็นตัวกลายเป็นตัวเป็นกลายเป็นเลือดกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแข็งแรงมากขึ้นแล้วกระเพาะสามารถกระทพาะเปลือกมันออกมาแม่ไก่ไม่ได้ทำอะไรเพีงแต่ให้ความอบอุ่นเท่านั้นไอ้ส่วนนี้ก็เหมือนกันที่เรามาทําในขณะนี้ก็เหมือนกัน เราเพียงแต่ทําความรู้สึกตัวเผลอไปแล้วก็ช่างมันกลับมาใหม่เผลอไปแล้วช่างมันกลับมาใหม่นี้มาใหม่กลับจงเกิดความชำิชานานมากขึ้นมากขึ้นเหมือนอุปมาเหมือนกันแล้วว่าเรานั่งทานเราทานข้าวเหมือนกันเราทานข้าวล้วหลับตาเราก็สามารถที่จะคําข้าวนันใส่ปากให้ถูกต้องเพราะเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรารู้สึกว่าเราชํานาญในด้านความปรุงแต่งของสังขารอยู่มามาก ที่เราจะทวนโหนกลับเข้ามากลับให้มันได้ดั่งใจของเราได้ดั่งที่เราต้องการ น, นั้นก็สื่อมันก็นต้องต้องทนฝืนนะดูบ้างแต่ความทนแต่ความฝืนเนีย่ยความพรุงแต่งของสังขารนั้นสื่อมันก็มีอนุภาพเพราะมันสะสมมาแล้เหมือนกับเขายึดครองพื้นที่มานานนี้มานานแต่พอเขาจะสูญเสียอํานาจลงไปนู้นสึกมันก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ต้องมีการต่อสู้ผลการต่อสู้ของเราคือกันเหนื่อยเพียร่างกาย แล้วก็งุดจิตบางครั้งมาขนาดล่ะซึ่ว่าตั้งใจจริงว่าอยากจะให้มันอยู่อยากให้มันเป็นอยู่ลักษณะนี้ไม่อยากให้มันมันคิดมันปรุงมันแต่งยิ่งแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกนี่ท่านบอกท่านกล่าวว่าให้หยาไปอยู่กับความคิดให้ไปอยู่กับความรู้สึกตัวเราตั้งใจว่าเราจะอยู่กับความรู้สึกตัวแต่พอตั้งใจมากขึ้นความคิดมันก็แวบเข้ามาแล้วก็แวบไปแวบมาแวบไปแวบ ม, มาอยู่ตลอดก็เกิดความงุดจิตเกิดความราคาญตนเองนี้ตนเองแล้วเกิดความราคาญตนเองมากขึ้นก็คือว่าโอ้ยเบื่อ พอแท้ในการประพฤติปฏิบัติ อ, นอนันนั้นลักษณะนั้นพอเราเข้าไปอยู่ในกับอารมณ์เราไม่รู้จักพอเรารู้สึกถึงลักษณะนั้นพอมันชิดได้ออกไปเราจะไปใส่ใจกับไอ้ส่วนนั้นแต่มันก็ดูดดื่มมันก็อร่อยอร่อยมากใน ใ, ในด้านในสิ่งเหล่านั้นในการปรุงการแต่งของสังกัดแม้แต่เรานั่งคิดนั่งอยู่นิงน่งๆที่เฉยนี้รู้สึกว่ามันมีเรื่องมีราวที่เราจะต้องคิดมีเรื่องมีราวที่ทั้งๆ ท, ที่เรื่องสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับเรื่องกับชีวิตของเราเลยแล้วก็เก็บมาคิดอยู่ ปรุงแต่งอยู่นี่อยู่ตลอดนี่ตลอดแต่ถ้าเราไมา่หยุดความรู้สึกตัวของเราส่วนนี้เห็นเข้าใจสัมผัสอยู่ในขนาดนแวบไปอัเผอไปแล้วก็ช่างมันกลับมาใหม่อัเผอไปแล้วช่างมันกลับมาใหม่นี่มาใหม่จนมันเกิดความชํานาญเชนนาชํานาญในการปลดปล่อยเหมือนกับกับปลดปล่อยกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและความคิดตอนนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาคิดก็เออมันก็เป็นเราไม่ไหลไปตามกระแสกมันของมันแล้ว มันคิดก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะไม่ใส่ ใ, สใจกับมันนี่กับมันเหมือนกับเรานั่งอยู่ในขณะนี้เมื่อเรานั่งสร้างจังหวะคนอื่นจะพูดยังไงนี่ยังไงเราก็ไม่ใส่ใจเพียงแต่ทําความรู้สึกตัวในขณะที่เราทําได้ยินแล้วก็ใส่ใจก็ผ่านไปนี่ผ่านไปแต่นั้นมันมันไม่ใช่รักษณะแต่นี้มันพอมีความคิดเกิดขึ้นพอมีการปรุงแต่งคือได้ยินได้ยิฟังอะไรต่างๆสิ่งที่เห็นสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ของเรารู้สึกว่าเอามาปรุงแล้วเอามาปรุงแล้ว เติมรสเติมรสติมชาตเติมน้ำปูน้ำปลาเติมเกลือเติมอะไรต่างๆให้มันมีรสมีชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกโอ้ย อ, อร่อยอร่อยดังนั้นว่าที่เรามาอยู่ในสถานะนี้ลองลองลอ ง, ลองปลดปล่อยตอนเองปลดปล่อยอิสรภาพให้กับตนเองลองดูนี่ลองดูวันที่เปิดงานท่านก็บอกให้ให้ท่านก็มอบให้แล้วเรื่องกุญแจกุญแจไขไขสิ่งที่มันถูกปิดมานานนี่มานา น, น, า น, น, านลองเกาะลองดูหรือว่าขณะนี้ลูกแม่กุญแจก็ไป มันตัดแบบตากฝนมานานนี่มานานยี่สบสาสิบปีสี่สิบหสิบปีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีก็มีนี่ก็มีแล้วก็สันนิมมันขึ้นจนสอดลูกไม่เข้าหมุนไม่ได้นี่ ไ, ได้หรือลืมลูกมันลู ก, ลกมไม่ไม่เหมือนไม่ถูกต้องลงลืมเหมือนกับช่วงระยะหนึ่งช่วงที่พระใหม่มาบวชนี่มาบวชนะว่า ก, กาที่บวชในพระราชกุณสนให้กุศลเดชญาอุทิศพระรากุณสนให้กุศลเดชญาแล้วเขก็มาทําคติให้หลังหนึ่ง แล้วเขาก็มอบคุญแจไว้ให้มอบคุญแจไว้ให้แต่คุญแจนั้นไม่ใช่ลูกมอบลูกให้มันถูกต้องนั่นแหะแต่ว่าพระท่านลืมลืมแล้วก็หยิบคุญแจอีกลูกหนึ่งมาให้แล้วไปไขไขมันก็ไม่ออกมันก็ใช่ลูกของมันนี่ของมันไขยังไงไขยังไงยังไงก็เหมือาวันนั้นผมไขยังออกอยู่เลยนี่อยู่เลยไม่สังเกตดูกเกาไขแล้วออกแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ล็อกข้างในอ่หมุนแคกลงไปมันก็ออกแต่พอล็อกข้างในทีนี้ พอเราข้างมนปุ๊บเราไปไขไข ย, ยังไงก็ไม่ออกลูกยังไงก็ไม่ออกทำเอ๊จนได้ลือออกลูกบิดอลือออกมาเลยลือออกมาเปลี่ยนใหม่พอลือออกเท่านั้นแหละก็มาหาดูอีกกุญแจตัวหนึ่งพอเสียบเข้าไปพอหมุนเข้าไปพอแก็มันก็ตายแล้วลือมาเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วลูกก็ลืมอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะสติสัมปชัญญะของเราก็เหมือนกันนะ่ะเป็นลูกกุญแจลูกเอกที่เราจะต้องเจาะเข้าไปหมุนเข้าไปไขให้มันเข็น ไว้ใจหรือชี้วิจิตเจคังหล่อให้มันแน่ให้มันถ่องแท้จริงๆนี่จริงๆเปิดก็ไปรู้ข้างในอย่าไปอยู่ในส่วนภายนอกส่วนภายนอกมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ในส่วนภายในเป็นส่วนที่เราจะต้องทําที่จะต้องสร้างขึ้นมาขึ้นมาให้มีความเข้มแข็งให้มากขึ้นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละขณะส่วนในที่มันเกิดขึ้นมานี้ขึ้นมาเราพยายามที่จะรู้สัมผัสรู้ตลอดไม่ไปําคัญกับความแต่งไอ้ส่วนนั้นยิ่งมันมีความรู้มากขึ้นมีความคิดมากขึ้นปรุงแต่มากขึ้นเรายิ่งรู้มมมาาากกกขขขึึึ้้้นนน ถ้าไม่มีอะไรต่างๆที่มันมันนั่นแนหละมันผิดปกติถ้าไม่มีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันไม่ยถึงเรื่องผิดปกติในร่างกายของเราเพราะสภาพร่างกายของเรานั้นมันจะไม่หยุดนิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้นี่ไม่ได้แม้แต่เรานอนบางครั้งมันขนาดเรานอนเรายังนอนเนี่ยระบบการหายใจของเรามันยังมีการทำงานของมันอยู่นี่อยู่ถ้าเกิดการระบบการทํางา น, นทางร่างกายของเราไม่ทํางานตายเลยคนเพราะฉะนั้นว่า ไอ้การปร actions, ุงกันแต่ส่วนนี้รู้สึกว่าอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปให้ความสํมคาคัญกับมันมากใหาไปหยุดกับความรู้สึกตัวเผลอไปแล้วก็ช่างมันกลับมาใหม่เผลอไปแล้วช่างมันกลับมาใหม่นี้มาใหม่สิ่งนี้แหะมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ทดทวนเป็นสิ่งที่อด ท, ท, น, น, ทนให้ความอดทนกับตัวข้างเหล่านี้ข้างเร า, เ, ราเป็นการฝึกความอดทนให้ตัวข้างเราบ้า ง, างนี้บ้างในการที่จะมีความเป็นอยู่ใ น, ใ น, ใ น, ในชีวิตของเรามีความเป็นอยู่ในขณะนั้นแต่ถ้าไม่มีความอดทนสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นมายาก แต่เรพอเราอดทนได้ถึงระดับหนึ่งสิ่งกําลังมันพอความเพียรเรากำลังทําให้ต่อเนื่องดีนี่ดีพอมันแวบขึ้นมารู้สึกว่าความอดทนของเราหายแวบไปนี่ไปแทนที่มันจะต่อเนื่องแล้วเราแล้วแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกเรากลับมาเริ่มต้นใหม่บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยมันเละอยู่แล้วขนาดเมันก็ไก่มันกระไก่ที่มันตกไข่ของมันนี่ของมันหิวตัวกระโดดลงมาจากหลังของเขาเนี่ยของเขาโวดลงมานี้ลงมาที่ลงมาโดดบ่อยๆเข้าบ่อยเข้า ไข่ก็น oh, ั mm ่งเล่กลายเป็นไข่ด้านไม่สามารถที่จะฟักออกตัวได้อันนี้ไอ้ทุกความรู้สึกของเราก็เหมือนกันขณะใดที่เรามีความรู้สึกตัวสังเกตลองให้ดีลองดูลองสังเกตดูให้ดีขณะนั้นไม่อยู่มาอยู่ไม่อยู่กับความรู้สึกตัวของเราในขณะนี้ความเป็นอิจะหรือความเป็นเสรีภาพในตัวของเราในสุขมันมีมากความตกปกติสุขก็ก็เกิดขึ้นมานี่ขึ้นมาแต่ขณะใดที่เราไปอยู่กับการปรุงกันแต่งของสังขาร การปรุงการแต่งของกิิตที่มันชิดปรุงแต่งออกไปเนี้ยไปความสงบมันก็ยิ่งวุ่นวายความสงบมันก็ไม่มีความวุ่นวายมันก็เข้ามาแทนที่มันแค่พลิกฝ่ามือเดียวเองแต่คนเรานั้นก็ไม่ค่อยชอบชอบรูปแบบวิธีให้มันมันโก้มันเจ๋น่งให้มันซื่อใโอ้ยดูแล้วมันสง่าราศีมีความสง่างามแล้วเกินนี้แล้วเกินแต่มาพอมันยกไม้ยกมือรู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดอันนี้มันเกิดขึ้นกับอัตมาเองครั้งแรกเลยว่าโอ้ ไอ้สิ่งที่เราปรากฏการสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ในตัวของเราเนั้นลรงไม่ค่อยชอบเหมือนกับพุทธองค์เหมือนกันตอนที่ตัดสู้มาใหม่ๆนี่ใหม่ๆอุปการชิบวชเห็นแล้วสุดก you ็เขาก็แสดงหาสัจธรรมเหมือนกันแสดงหาพระสมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พอพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาเป็นเสียมภูผู้รู้เองตัดสู้เองเข้าไปเชื่ออันนี้หลาถึงว่าความเป็นอยู่ของเราความเข้าใจของเราข้อคิดคิดว่า เรื่องอิทธิฤทธิเรื่องปฏิหารเรื่องลี้ลับมหาอัจฉร์สิ่งพูนเรื่องชีวิตจิตใจเรื่องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตั้งแต่ฉันไหนแต่ไหนแต่ชาติไหนแต่ไรหนังสือสามารถเล่ลึกชาติได้จำชาติได้สามารถส่องรู้สามารถเดาจิตตัวใจของคนอื่นได้นี่ได้โอ้โหอัจฉริยะนี้เกินเรื่องอิทธิฤทธิเรื่องปฏิหารเรื่องต่างๆนี่สิเราโน่นเรา Vamos? ไปคไปิดไปถึงส่วนนั้นแต่ถ้าเป็นส่วนนั้นผู้ริเจ้าคงไม่ห้ามพระภิกษุภิกษุในสมัยนั้นว่าไม่ให้แสดงอิทธิฤทปฏิหาร เพราะสิ่งเหนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาแก้ปัญหากับชีวิตของเราได้ลองสังเกตดูให้ดีว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนอย่างขณะที่เรามาอยู่ในขณะ น, นี้วัดโมกวัดเนลาราม์วัดโมกกับวั ด, ว ด, ว ด, ว ด, วดนารามแห่ง น, นี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะเผยแผ่ในส่วนนี้เปิดเผยออกมาเปิดเผยความจริงสู่กันฟังนี่กันฟังเปิดเผยความจริงสู่ให้ดูยืนแต่ละขั้นไเดินแต่ละก้าว ทำไมเราจะทำไม่ได้ทำไมเราจะมัวแต่ไปทำสิ่งอื่นนี่สิ่งอื่นลองฝึกลองทำลองดูนี่ลองดูยกขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละขณะยกมือขึ้นเอามือออกยกมือไปเอามือมามีความรู้สึกตัวเป็นตัวแม้แต่หลวงพ่อเทียนท่านที่ทำขให้ดูนะั้นโอ้มันน่าหน้าประทับใจแม้แต่ก่อนที่ท่านจ ะ, ะมรณภาพท่านก็แสดงปฏิหารแสดงปฏิหารในด้านการเจริญสติให้เราดู นั่นแต่มีชีวิตอยู่ของท่านตาที่ท่านมีชีวิตอยู่เคยที่เคยอยู่กับท่านมานี่มาเคยทุกข์ทีอยู่กับท่านมาที่จริงเราไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อบางท่านบางคนก็วางท่านบางองค์ก็บอกว่าเอออยู่ใกล้หลวงพ่อไม่เห็นไม่ได้พูดเรื่องหลวงพ่อสักหน่อยนี้สักหน่อยไม่เคยพูดไม่เคยนี้พราพูดบางครั้งมาขนาดรู้ซึกวันเราเราอาจจะเอาอัตราตัวตนของเราเข้าไปเกี่ยวข้องกันมากบางครั้งมาขนาดก็อยากจะแสดงให้คนอื่นว่าเราก็เป็นศิษย์เราก็เป็นลูกลูกใกล้ชิดของท่าน มันหลายครั้งที่เขาไปอยู่ในอยู่กับวัฒนธรรมในกับท่านนี่กับท่านเนอะบางบางคนก็มาถามว่ท่านเป็นอุปถาของท่านหรอือไม่ใช่หรอแล้วใครเป็นพระอุปถาท่านทุกองคทุกภูมญาติโยมทุกคนนี้ทุกคนพออุปนิสัยนั้นพอคนก็มาหาหลวงพ่อเขาพอนั่งทำธุระอยู่กับท่านทําธุระให้ท่านในท่านพอมีคนก็มาหาเนี่มาพยายามที่จะหลดหลีกอยงนี้ปีหนึ่งที่อยู่ที่นี่แหละก็พราะคอซูร์โยมก็มาอยากกรุงเทพ หลวงพ่อก็เจตนาของท่านก็อาจจะอยากจะให้เราพูดเราคุยซะบ้างนี่ซะบ้างให้พูดกับญาติญากับโยมบ้างนี่บ้างรู้จักต้อนรับกับญาติกับโยมบ้างนี่บ้างหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ามันเนี่ยเอามุ้งนี้ไปให้โยมหน่อยไปเห็นโยมแล้วเ่าโยมหลวงพ่อบอกให้เอามุ้งมาให้นี่นะวางอยู่ตรงนี้แล้วก็หันหลังไปกับแล้วไปถามเขาว่าไงไม่ได้ถามเลยครับผมก็บอกว่าให้โยมหลวงพ่อฝากมุ้งมาให้นี่มาให้กระลอกก็กับอืม เพราิสัยอุปนิสัย น, นั้นนึกถึงไม่ค่อยชอบแต่ถ้าไม่มีใครทําทําได้การเรียนรู้อยู่กับหลวงพอ่อ น, นึกถึงเป็นเป็นสิ่งที่โอ้ยากมากเนี่ยมีมากากับพระหลวงตากแก่แ ก, แกท่ที่เกิดที่เราที่เราเห็นเคยที่เราเคยเห็นมานี่มาเป็นบุคคลที่ ง, ง่ายเป็นบุคคลที่แม้แต่ อ, อยู่โรงพยาบาลนี่ก็ตามนี้ก็ตามอยู่ที่โรงพยาบาล น, นั้นไม่เหมือนกับคนป่วย ถ้าไปทําจู้จี้จุกจิกกับท่านท่านเลยแค่ยิ่งแให้ไปเลยฉันใดก็ตามไม่ว่าการเจริญสตินั้นซึ่งมันมันพร้อมที่จะช่วยเหลือตอนเองพร้อมที่จะทําให้ตนเองนี้ตนเองฝึกฝนตนเองให้มีความมั่นใจมากขึ้นยิ่มากขึ้นไปไในมาไหนคล่องการคุมผ้าการเดินทางเลยซึ่งไปไหนมาไหนโอ้ไม่เหมือนกับลุงปู่ลงตาที่เราเห็นนะใ น, นเมืองไทยในี่สิที่เราเห็นมานะที่เราเห็นที่อาจจะมาเห็นมาที่ยังไม่เห็นก็อาจจะมีมาก เทียนผ่านๆมานั้นรู้สึกว่ายังไม่มีใครเหมือนกันเลยไม่เหมือนกับหลวงพ่อเทียนเลยอายุเจ็ดสิบแปดิบปีเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดสิบปีนั้นคล่องตัวไปไหนมาไหนมาไหนคล่องการกระทาต่างๆรู้สึกว่าแต่ไม่ใช่ลุกลี้ลุกลนแต่ดูแลสังงานงามเดินเหมือนกับมัอนก็ช้างเดินเหมือนกับมีความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่สมอโอ้เห็นแล้วทําแล้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วรู้สึกมันเย็นตาเย็นใจ ในแต่อยู่ที่วัดโม่งนี่มันกันปีนั้นสมัยนั้นนั่งอยู่นอนอยู่กับกุฏิกับท่านนี่กับท่านมาตลอดช่วงในพรรษาเห็นนี่รบทของท่านเนีหมเก็บข้าวเจ็บของสิ่งของต่างๆที่ท่านเก็บเอาไว้เนี่ยไว้ถือเป็นรู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยใครจะหยิบตรงไหนส่วนไหนรู้สึกรู้ไปหมดนี่ไปหมดครั้งหนึ่งมีหนังสือท่านเก็บเอาหนังสือมาเรียงเอาไว้เนี่ยไว้แล้วก็เราไปอัตมาก็ไปดูดูแลหยิบมาอ่านเล่มหนึ่งเล่มเดียวเท่านั้นเล่มบางๆเล็กนิดเดียวหนังสือแตเป็นหลายเป็นหลายสิบเล่ม เขาหยิบอกมาเปิดอ่านออกมาที่พอท่านกลับมาจากเที่ถามว่าวัเนเหนกเอาหนังสือไปอ่านหรือเปล่าครับผมทุ่งบอกว่าเออขนาดเล่มนิดเดียวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าดูแล้วเมื่อเราจัดของจัดข้าวของสิ่งของให้มันเรียบร้อยอะไรต่างๆผิดปกติปุ๊บเราเห็นปั๊บรู้จักทันทนีทันทีม้แต่พกักกรรมฐ า, านทั้งหลายนี้ทั้งหลายก็เหมือนกันนั่งกรรมฐานนี่กรรมฐานใช่ไหมบางครั้งวาขนาดที่หลับที่นอนที่อะไรต่างรู้สึกว่าโอ๊ย แต่ว่าสะอาดสะอาดข้างนอกแต่ว่าที่หลับที่นอนและสึ่งไม่ค่อยเจ็บเจ็บไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรบางไรเกล้ากลับไปหมดไม่รับสิ่งของอะไรต่างๆอุ่ยกระจัดกระจายก็ไปเนี่ยไปอันนั้นมันมันไม่ได้ไม่ใช่จัดระเบียบให้กับตนเองท่านทําทําทําต่างๆนี่ต่างไม่แต่การลุกขึ้นมายืนเดินเดินจงกลมช่วงเรือเช้าจะพยายามให้เงียบที่สุดที่สุดนอนอยู่ด้วยกันนี้ด้วยกันจะทําให้เงียบที่สุด ไม่มีเสียงอะไรรบกวนท่านรู้สึกว่าท่านมีความเคารพในสิทธิของคนอื่นมากจะไม่กระตกกระตากไม่ยังทำให้เสียงรบกวนให้คนอื่นเสียงรบกวนคนอื่นนี้คนอื่นเดินไม่แต่เดินก็เหมือนกันถอดกรกุฏิหลังเนี้ยหลังที่ทํานสมบูรณ์แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ลือ อ, อกทำนี่ทำก่อนประตูนอนทั้งทั้งที่นอนอยู่ที่หน้าหน้าประตูประตูเปิดได้ด้านเดียวเปิดประตูมาดังแก๊กวันหนึ่งก็พยายามที่จะตื่นให้เช้าที่สุดประมาณตีสาม ตีสองครึ่งมาจะลูกออกมาเดินจงกลมค่อยๆม้วนเสือค่อยๆเจ็บจับเรียบร้อยนี่เรียบร้อยจเจ็บม้วเก็บลายมวนเสือค่อยๆที่สุดแหละให้ดังค่อยที่สุดแล้วก็พยาแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินออกมาถอดกรงประตูประตูเลประตูเปิดได้แล้วแต่ท่านก็ไปเดินจงกลมอยู่ข้างล่าง อันนี้เราถึงว่าความเคารพในสิทธิของคนอื่นความเคารพในสิทธิของตัวของเรานั้นรู้สึกว่าเมื่อเข้าใจส่วนนี้รนะู้สึกนจะครอบคุมไปหมดครอบจักรวาลไปหมด